ขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฟังท่้ไหลายเสียงทําจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมก็มานำเสนออนังคณสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยกิเลสเพียงดังเนินแต่ในที่นี้เรียกว่าอิจฉาวจรอกุศลอิจฉาวจรก็คือจิตที่สายไปแล่นไป ด้วยความปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งต่างๆเจตนาที่จบสิ้นไม่ได้ก็ได้พูดมาแล้วโดยลำดับราษาริบุตเท ร, ระได้ยกตัวอย่างมาก็สิบประพข้อแตมว่าเราสรุปแล้วก็คือกิเลสประเภทตัณหาประเภทมานะ ระเททแต่ว่าเน้นไปที่ประเภทตัณหามากเพราะว่าเป็นอิจฉาวจรอิจิตมันเล่นไปสายไปด้วยแรงปรารถนาคืออยากได้อยากมีอยากเป็นทีนี้พระเถระก็กล่าวต่อไปว่าอิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้ ที่พิสูรรูปใดรูปหนึ่งละได้แล้วประชาชนทั้งหลายก็เห็นว่าทัานละได้แล้วก็ได้ยินอยู่ว่าทัานละได้ทีนี้ท่านเหล่านี้จะอยู่ที่ไหนก็ตางคือรูปแบบของปัจจัยสี่ไม่ใช่เป็นตัวกําหนดว่าท่านบมนณจะหมดกิเลสหรือว่าไม่หมดกิเลส บางทีเราไปกำหนดที่จีวรซึ่งสามองแสดงว่าท่านไม่มีกิเลสบางทีไปกำหนดที่บินตบาดน้อยคือฉันอาหารน้อยบางทีก็กำหนดที่อยู่ป่าอยู่คลไม้อยู่ตามถ้ำตามภูเขาบางทีก็กำหนดที่ฉันญาดองด้วยน้ามุ้ดน้ แต่ว่าในแง่ของความจริงแล้วถ้าเรามองถึงพระราหันที่ท่านเป็นมานานแล้วยาดพระพุทธเจ้าในระยะหลังบางทีก็อยู่ปราสาทของนาวิสาขาก็บางทีก็อยู่ในพระขันตกุดีที่ประดับด้วยกลิ่นหอม เ, เครื่องสการารบบูชาที่ชาวบ้านนำมาบูชาเครื่องใช้ไม้สอต่างๆที่ประนีตเนี่ยก็มีเยอะเพราะท่านใช้สอยด้วยไม่มีความยึดติดไปดว้าปรารถนาอะไรอย่างแต่ว่าสำเร็จประโยชน์ก็ได้ทีนี้ท่านท่านที่ละกิเลสพวกนี้ได้เป็นที่รับรู้ของประชาชน พวกได้เห็นก็มีพวกได้ยินก็มีทีนี้จากนั้นแม้เธอจะอยู่ในเสนาสนะที่ท้ายบ้านอยู่ใกล้บ้านรับนิมนต์ครองเครือบดีจีวอนคือจีวอนที่ชาวบ้านเขาถวายไม่ได้ครองฝ้าบางสกุลจีวอนอย่างที่เราเชื่อกัน ถึงอย่างนั้นเพื่อนสำเร็จ เ, เพื่อนนักบวชทั้งหลายพวกเพื่อนพระพุทธพระมจัจจนทั้งหลายก็ยังสักกาะระเคารหนักสือบูชาภิกษุนั้นเพราะนั้นเพราะเหตุอะไรพราะวิชาวจารที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นอันภิกษุรูปนั้นทนัดได้แล้วอันนี้คือบทภิกษุความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ ส่วนรูปแบบนั้นเป็นเรื่องของอัธยาศัยที่ท่านผู้นั้นจะทำอย่างพระพุทธเจ้าตอนเสด็จไปเพื่อเป็นนิพพานที่กรุงกุสินาราก็ทรงรับผ้าคู่สิงขีวันจากานักบวชนอกศาสนาอ็ไม่ใช่จากพวกมารักษัตัิย์ ก็รับจากพราณนพื้นหนึ่งหับรับจากอุปสรรคุณระบุทุนพื้นๆเ น, น, นี่ยผ้าราคาเป็นแสนนะนะหรือหนึ่งราคาเป็นแสนก็ทรงใช้เพื่อฉลองศรัทธาของผู้ถวายแต่ก็ไม่ทรงยึดติดในความสวยงามของผ้าหรือราคาของผ้า แสดงถึงความบริสุทธิ์หมดจดที่มีอยู่ภายในพระไทยของโรงทีนี้เมื่อชนทั้งหลายเห็นยังเห็นแล้วก็ยังได้ยินก็เปรียบเหมือนกับถาดทองคำพระเทราเปลี่ยนด้วยถาดทองคำมาตลอดถนะาดทองคำที่นำมาจากที่ต่างๆถาดใบนี้ก็เรียกว่า สาดสะอ้านไม่มีสนิมกับเรามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ภายในก็บรรจุอาหารมาอาหารที่ดีมีรสชาติดีสาดสะอ้านคนที่เปิดขึ้นมาก็พอจะยินดีกับขาดและก็พอจะพอจะยินดีกับอาหาร คนที่บริโภคอิ่มแล้วก็ยังพอใจที่จะบริโภคแม้ต้องกล่าวถึงคนที่ยังไม่ได้บริโภคนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าถาดมันสะอาดอัชนะนี่มันสะาดคนจิตใจของคนเราก็เหมือนกันเกิดรูปลักษณ์ข้างนอกนั้นก็เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของ แต่ว่าตัวการใหญ่มันก็อยู่ชี่ความบริสุทธิ์หมดโจทย์ภายในใจปราศจากอิจฉาวจรคือกิเลสที่บังเคีบบังคับจิตและสายไปอยากได้อยากมีอยากเป็นมันไม่มีแล้วก็ทำให้ท่านสะอาดบริสุทธิ์ใคะเห็นก็พอใจด้วยกันั้งนั้นแต่ว่าแน่นอนการ ได้พอได้เห็นพระเหล่านี้ท่านก็ไม่ได้บอกกลา่าวไม่ได้โฆษณาประชาสมคัญอะไรแต่บาคนก็สังเกตพินิจพิจารณาแล้วก็อาจจะซุบซิบกันฝังเลาสู่กันฝังคนอื่นก็สังเกตตาม การมีศีลนี่จะรู้ได้โดยการอยู่ร่วมกันและอยู่ร่วมกันนานๆจะต้องมีการพินิพิจารณาจึงรู้ถ้าไม่มีการพินิพิจารกก็จะไม่รู้ดังนั้นเมื่อมีการพินิพิจารณาอยู่ก็จะเ ค, คยพากเคยเห็นเคอคอยทราบซึ่งแล้วก็ในที่สุดมันก็มั่นใจในสถานะของท่านความศรัทธาเลื่อมใส ก็จะเกิดขึ้นโดยนัยยะาังกลาง่าวอิสาวจรที่เป็นบาปกุศลเหล่านี้ก็ฉะนั้นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งลาใ ด, ดแล้วชนทั้งหลายยังเห็นอยู่และยังได้ยินอยู่แม้เธอจะอยู่ในเสนาสนะที่ท้ายบ้านที่รับนิมนต์ครองเทอรบดีจีวอน ถึงอย่างนั้นเพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายก็ยังสักการะคารุดประือบูชาทิศสูนนั้นเพราะนั้นประเหตุอะไรเพราะว่าอิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นผู้นั้นละได้แล้วก็ผู้นั้นออนี่ยอาจจะเป็นภิกษุก็ได้อาจจะเป็นภิกษุณีบรสุปัสิกาก็ได้ก็ไม่ว่ากัน พอเนื้อหาสาระสําคัญก็อยู่ที่กาละกิเลสประเภทอิชาวจรต่างๆไปได้เมื่อภาษาริบุตรกล่าวอย่างนี้ท่านพระมหามโมคคลานะและกล่าวกับท่านภาษาลิบุตรว่าท่านครับขุปปามาเกิดขึ้นแล้วแก่ผมอย่างนี้ภาษาริบุตรจึงกล่าวว่าท่านมโมคคลานะ ขอท่านจงยกอุปมานั่นคือพระโมคคัาลานะก็กล่าวว่าท่านครับสมัยหนึ่งกระผมอยู่ในกรุงราชครึอันเป็นข้อผูกเขาครั้งนั้นเวลาชาากับผมนุ่งหกนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปยังกรุงราชครึเพื่อบินท บ, บาทกวนานา ส, สมัยนั้นบุตรชายนายช่างทำรถ ชื่อสมิติอาถาโกงรถอยู่อาชีวกชื่อว่าปันรุบุตรเป็นบุตรของช่างทํารถเกาเ่าก็ไปยืนใกล้นายนสมิตินั้นแล้วครั้งนั้นอาชีวกปันรุบุตรบุตรนช่างทํารถเกา่าเกิดความดั่งริในใจอย่างนี้ว่ากระไดหนอบุตรช่างทํารถนี้พึงถากส่วนโค้ง ส่วนคดส่วนกระพี้และปมทรงนี้แห่งนี้ออกเสียเมื่อเป็นเจนนี้กองนี้จะสิ้นโคง้งสิ้นคดแล้วก็สิ้นกระพี้และปุมพึ่งเหนือแต่แก่นล้วนลว น, ลวนอาชีวกบรรุบุตรบุตรช่างทำรถเกา่าก็มีความลนิในใจชันดใดนายสมิติก็ ฉะนั้นคือถากไปตามนั้นตามที่อาชิวกเขาก่าเขาไม่ใช่เขาคิดครั้งนั้นอาอาชิวกปันรูกบุตบุตรช่างทำรถเก่าดีใจปริ่งวาจาแสดงความดีใจว่านายสมีติบุตรช่างทำรถถากเหมือนจะรู้ใจ ด้วยใจฉันได้ท่านขอรับข้อนี้ก็ฉันนั้นบุคคลทั้งหลายเหล่าใดไม่มีศรัทธาเป็นผู้ต้องการจะเลียงชีวิตออกบวชเป็นบนรรพชิตโดยไม่มีศรัทธาเป็นคนมักโอ้อวดเจ้ามายาหลอกลวงฟุ้งซ่านเยอะหยิงกราบกรอกปากก้าว่าจาพลอยนี่คือจุดบกพร่อง ของคนที่ไม่พร้อมจะฝึกปรือพัฒนาตัวเองปฏิราก็าเริ่มมาตั้งแต่ไรละ่ะไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาก็บวชในแนวก็มีนะฮะในในโลกนี้มีอยู่ทุกยุค ท, ท, ทุกสมัยก็บวชในเหตุผลอย่างอือในสมัยต้นพุทธสมัยก็มีบวช ด, ด้จำเป็นบวช ด, ด้จำใจบวชเพราะเพื่อนบวชบวชเพราะอยากจน บวชเพราะตังการจะหาเลี้ยงชีพเป็นต้นก็บวชกันไปคือเราปฏิเสธไปเจตจํานงของคนเหล่านั้นไม่ได้แต่ก็เป็นภารากิจที่ทางคณะสง์จะต้องฝึกปรืออบรมชี้แนะทิทางที่ถูกต้องให้แก่ผู้บวชเหล่านั้นบางคนก็เข้าสู่ทางที่ถูกต้องบางคนก็อาจจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยบางคนอาจจะไม่เปลี่ยนแปลง ก็เป็นไปต า, ามวั ส, สนาบรบารมีของบุคคลเหก่นั้นแต่ถ้าคนมันเริ่มต้นอย่างนี้คือบวชเพื่อต้องการจะอาศัยอาศัยเป็นเครื่องมือในการเลี้ยงชีพอย่าที่คนมีคนป้อมบวชกันเวลาเนี่ยเยอะมากเราลองสังเกตว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยคนป้อมบวชจะเยอะจิง และตามปกติแล้วคนเวลาก็ประสบความเดือดร้อนเนี่ยก็ยามทําบุญเพื่อผ่านพ้นความเดือดร้อนเราเนี่ยคนเหล่านี้ก็เห็นช่องเห็นโอกาสเอาข้ามาบวชก็โดยมุ่งหวังจริงๆก็เพื่อหาเลี้ยงคิดแต่บางทีบางทีก็ไม่ได้บวชเราก็หาผ้ามาเองเนี่ยอาจจะไปขอผ้าพระมา ต้องการส่งครอบก็ให้ไปก็อ้างไปตามเรื่องเขาตอนเช้าก็ห่มจีวรอุปบัดเดี๋ยบยินทบาทมีลูกศิษย์ที่อยู่ถังหิวอะไรกระป๋องที่อยู่ย่ามตามไปเก็บอาหารเหล่านี้นพอกลับมาถึงบ้านก็เรื่องจีวรออกก็อยู่แบบชาบายนั่นและเช้าก็ไปอีกอย่างนี้ มันเป็นปัญหาสังคมที่ยากต่อการแก้ไขเพราะว่าทุกอย่างมันยึดโยงกันคือถ้าเกิดปัญหาเศรษฐกิจก็เกิดปัญหาสังคมเกิดปัญหายากรรมเกิดปัญหาการหลอกลวงเกิดปัญหาการจีร้มร้นเกิดปัญหาลักขโมยะอะไรต่างๆอย่างที่ปรกากฏข่าวทังสื่อบอกว่าเหตติเวลานี้รุนแรงเลยเกิด เพราะว่าประเทศต่างๆที่ไปช่วยตอนพระประสบสาธานภัยเนี่ยมันทิ้งไปในระหว่างคือไม่ได้ช่วยเขายืนหยัดด้วยตัวเองได้บ้านช่องที่อยู่ที่อาศัยเวลานี้ก็ยังใช้เต็น์กลางก็ไม่หนักแน่นมั่นคงอะไรคือพายุเกิดอะไรขึ้นมาบางทีก็พังกันเป็นแถบเอาก็แก้ปัญหากันไป คนที่เดือดร้อนก็เพื่อเอาตัวเองให้รอดก่อนก็ไปฉก ช, ชิงวิ่งราวสับจีงเงินทองให้ชาวบ้านมันก็เป็นปัญหาอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอถึงจนแต้มเนี่ยคนจะไม่คิดเรื่องบากบุญคุณโทษอะไรทั้งมันคิดแตงการเอาตัวรอดบาคนพวกหนึ่งก็จะ ออมาบวชแต่ไม่ได้มีศรัทธาในการเป็นภิกษุหรอกเมื่อไม่มีศรัทธาเธอก็ไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตำรับของพราทำไม่ไห้เละเลยภารกิจต่างๆที่เป็นหน้าที่ของภิกษุแล้วก็มีการโอ้อวด ให้ปรากฏแก่คนทั้งหลายโดยการพูดโดยการกระทาโดยการเสแสร้งโดยการมายาโดยการหลอกลวงเธอก็ทําก็เธอไปอย่างนั้นแหละแล้วก็จิตใจเองก็ไม่สงบจิตใจก็ฟุง้งซ่านแล้วก็วางมาได้เห็นว่าตัวเองมีความสำคัญก็เยอะจริงแต่ว่าเนื่องจากใจมันไม่มีฐานไม่มีหลัก มันก็กลับรอกเขาหลักโอเกนอะไรไม่ได้เวลาเขาทักท้วงเขาชีนนะ้แน่ก็อธิบายก็ถูกเกียงปากจัดแล้วก็พูดพล่อยๆไม่รับผิดชอบอะไรเราจะเห็นว่ามันก็เป็นทางไหลมาของกิเลส ท, ทังดุสุขเป็นอาการของบาปของอัุสุ ที่เธอยังควบคุมมันไม่ได้และในสุดก็จะไม่คุ้งครองในอินทรีย์ทั้งหลายก็เพราอิจฉาวิจาร น, นั่นแหละหมายความว่าตาก็สายไปดูรูปสวยๆเสียงก็สายไปฟังโอโก็ฝ่ายสายไปฟังเสียงสวยๆด้วยเป็นทูลลูกลีกอะมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังด้วยประกายตาที่ ไม่น่าไว้วางใจก็แสดงความโลภไปปรากฏออกมาการไม่สำรวมระวังอินทรีย์เนี่ยก็นำไปสู่การไม่รู้ประมาณในพัฒตร า, ารในอาหารในโภชนาะกินมากพอกินมากก็เกียทฉนก็อไม่มีการประรบความเพียร เมื่อไม่ประลบความเพียรก็แน่นอนแหละสมรรถธรรมที่ยังไม่เกิดมันก็ไม่เกิดแม้จะเกิดแล้วก็ต้องเสื่อมไปเต่ก็ไม่ใส่ใจในสมณธรรมไม่เคารพในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาละเลยละเมิดล่วงละเมิดแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองคนละเมิด แปลว่าจิตใจมันมากไปด้วยความมากักมากในความโลภบนรางกก็หย่อนหมดอลยควรย่อจอดเพาลละเขากินไม่ได้แล้วก็ถ้ามีเพื่อนพบเห็นมากก็เห็นว่าองค์นี้ยังเป็นที่เคารพส ก, การะนับถือของคนทั้งหลายอยู่ก็เลยก็เอกตาม เลยก็ถอยหลังไปกันใหญ่แล้วสิ่งที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสงบแต่ก็ไม่แสวงหาเจตวาการอยู่ในที่ที่สงัดเงียบจากสิ่งรบก ว, วนก็ไม่จาเป็นจะต้องป่าเสมอไปหรอกเอาปัจจุบันที่จริงหาป่ามันก็หายากกันนะมันก็อยู่ที่ปรับสภาพดังที่พระธรรมบได้กราวไว้ในตอนตอน้น ไม่ได้ยึดติดในรูปแบบแต่ว่าการปฏิบัติอย่างใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับแผงกิเลสทางหลายท่านก็ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นและดำรงอยู่ในสถานะอย่างนั้นบางทีถ้าเรามองจากข้างนอกมันก็หรูหราแต่ว่ามองไปจริงๆ ท่านก็บริสุทธิ์หมดจบข้าในอย่างแม้แต่พระอราหาันเนี่ยบางรูปท่านก็รุ่งบสาวมองเอาผ้าบางสกุลจีบรเอาผ้าเศษผ้ามาเย็บมาประติประตอกันก็ดูก็กลุงรังอ่าสมัยก่อนเขาก็มองเห็นสวยงามแต่ว่าสมัยปัจจุบันเขาก็อาจจะมองเห็นว่าไม่เรียบร้อย หรืันจะไปขาดในเชิงวัฒนธรรมคือแต่งเนื้อแต่งตัวไม่สุภาพเรียบร้อยไม่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาประาท่าเลื่อมใสของคนทั้งหลายเพราะนั้นไปนเพียงรูปแบบในภายนอกแต่ในความเป็นสังคมนั้นจําเป็นจะต้องมีความบริสุทธิ์ภายในของเรารูปแบบในภายนอกนั้นจะต้องอนุวัตษตามโลก หรือโล ก, ก็รับรองได้ก็เห็นว่าเป็นความเหมาะความควรแูนเนื้อแต่งตัวอย่างนี้อมจีวร อ, อย่างนี้อยู่ที่อยู่อย่างนี้เหมาะสมด้วความเป็นพระเขาก็อนุโมทนาสาธุการแต่เราเห็นว่าในระยะหลังๆนี้าศาสนาแต่ละศาสนาจเจริญขึ้น ทุกศาสนาแหละผู้ใหญ่ในศาสนานั้นจะมีที่อยู่หรูหราทั้งนั้นและศาสนาที่หรูหรามากๆเนี่ยเราจะเห็นว่าก็คือศาสนาคริสต์ในการโดนรูรมันคาทอลิกพวกอาร์ตีชอบพวกไรดัซันตา ป, ปปาพวกคาดีนันตัวนเนี่ยนะโอโกมันหรูปโง่เลยแก เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดหรอกในสมัยพระเยซูพระเยซูท่านก็เป็นนักบวชประเภทค่อนข้างจะเรร่อนอยู่ระยะสั้นๆแต่ลุศิปก็ปรุงแต่งขึ้นมาทีหลังก็ทำให้รูราทั้งข้างนอกและข้างในข้างในก็รูรานะฮะข้างน อ, นอกก็รูรา แต่ว่าวัดพระพุทธศาสนาเราอาคารสถานที่ในที่บางแห่งก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วมันเกิดขึ้นมาจากพลังศรัทธาเห็นการประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองของต่เหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือท่านเจ้าวาดัดวัดนั้นก็เป็นศูนย์ดูดดึงใจิตใจของคนเข้าไปสู่วัดนั้น แล้วก็ทําเป็นการสาธารณะไม่ใช่เจาะจงถว า, ายพระอิสริรูปเรืยรูปอันนี้เป็นรูปแบบข้างนอกแต่ก็ในสะอาดไว้ก็แล้วกันแล้วก็สภาวาที่อยู่คือเป็นที่นอนก็สัตว์แต่ว่านอนสาเร็จประโยชน์ในการนอนที่นั่งก็สาเร็จประโยชน์ในการนั่งรู้ยังไงก็เท่านั้น เลียงมันจะใหญ่ยังไงเราก็นอนเท่าที่หลังเราแพ่ไปถึงเท่านั้นนองไม่ไปยึดติดในสิ่งเรานีา่ยเราเรานั้นมากเกินไปทีนี้ถ้าหากว่ามันเริ่มต้นเสียศูญที่ศรัทธาคือไม่บวชด้วยศรัทธาเนี่ยมันเรียกเรียกว่มมาจบได้นะแล้วถ้าพัฒนาบ่มพ่อศรัทธาไม่ขึ้น ตรงนี้มันเป็นกระบวนการทางจิตว่ามือเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่าง น, น, น, างนี้ต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ก็เป็นละลากไปเท่าไหร่ก็ได้นะฮะลากไปเท่าไหร่ก็ได้ก็ได้ดียๆแล้วก็เป็นผลเกียรตคราดคือมันคุ้นชินต่อการอยู่สบายกินสบายนอนสบายคือไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมาก ความเพียรในการทางกายทางวาจาทางใจก็จะหย่อนความเพียรก็จะหย่อนแล้วในที่สุดเมื่อไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกสัมปชัญญะไม่ได้ฝึกสติก็ทำให้สติหลงลืมฟันเฟือนแล้วก็ขาดสัมปชัญญะจิตไม่ตั้งมัน่น มีจิตหมุนไปก็ท่านไม่มีพื้นฐานอะไรก็หมุนไปในทางที่ผิดไม่ได้คิดอะไรให้รอบคขอบบังกอนได้ฟังอะไรเรื่องดีวีดีเลยฮะดีวิดีธรรมะมีการอ่านของพระเทว ร, รี้ ท่านปฏิเสธโครมลงไปเลยว่าศีลธรรมไม่ใช่พระพุทธศาสนาแต่ก็ตกใจนะออท่านคิดกับท่านยังไงเพราะในแง่ข้อความเป็นจริงแล้วศีลธรรมเนี่ยมันไม่มีมาก่อนคือในตัวพระไตรปิฎกจริงๆเนี่ยไม่มีควาว่าศีลธรรมหรอกเราก็เรียกว่าธรรมไม่ได พระธรรมและพระวินยัยในการต่อมาก็เรียกง่ายขึ้นว่าศีลและธรรมก็มีทั้งส่วนที่เป็นศีลและก็ส่วนที่เป็นธรรมพราท่านบอกว่าศีลธรรมไม่ใช่พระพุทธศาสนาเราก็งงไนก็พยายามฟังที่ท่านอธิบายว่าดูท่นานอธิบายยังไงอธิบายไปออธิบายมาเนี่ย ก็ปรากฏว่าไอ้สินธรรมเนี่ยท่านพูดระดับสมาวาจาสมาคมรนตะสมาชีวะว่าเป็นเรื่องของสินธรรมอแล้วก็เป็นอ ร, นริยมรรต์ะแตัข้อด้านนี้เป็นอริยมรรแล้วไม่ใช่ประพุทธศาสนาอะไรยังไง คือเราจะลืมว่ากรอบของคาว่าพระพุทธศาสนาทำดีแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยมันก็เป็นหลักพระพุทธศาสนาแล้วเพราะว่าความดีเหล่านั้นจะทำหน้าที่กักเรลากิเลสคําสอนในพระพุทธศาสนามันมีที่มาที่ไปถึงสี่ทางได้แก่ต่างหนึ่งก็เป็นผลทรงจากการสัตรุของพระพุทธเจ้า ต้นควหมายความว่าคนสมัยนั้นยังไม่รู้กันตอนที่สองก็คนรู้กันอยู่แล้วแต่บรรู้อีกด้านหนึ่งเชื่อถืออีกด้านหนึงแต่การเชื่อถือที่ผิดพระเจ้าก็ส่งปฏิวัติคือพลิกกลับอีกด้านที่ถูกต้องขึ้นมาใช่หมายความมาคนนั้นพบเห็นอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่รู้จักด้านนั้น อีกด้านหนึ่งเขาก็ถูกต้องไปตั้งเยอะหลายเปอร์เซ็นต์นะเอามาปฏิรูปปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแก้ไขตัดทอนก็นแล้วแต่ให้เป็นความถูกต้องดีงามหรือว่าบางทีก็เป็นคำสอนที่มีอยู่ก่อนนั่นแหละ มันเป็นความถูกต้องที่ท่านเรียกว่าอาธิ พ, พรมจันทร์คือเป็นคำสอนเบื้องต้นของการใช้ชีวิตที่ประเสริฐศาสนาก็รับกัเพราะฉะนันเวลาใช้คำว่าพระพุทธศาสนาพระพุทธ้าจึงใช้คำว่าอุทานังศาสนา าศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนพุทธนังแปลว่าของท่านผู้รู้ทั้ ง, งหลายด้วยของพุทธทั้งหลายอันนี้ก็คือขาดเฉลียวขาดเฉลียวว่าพูดไปพูดมามันสะดุดเท้าตัวเองทำไปทำมาปรากฏว่าไอ้ศีลสิกขานั้นไม่ใช่พระพุทธศาสนาเลยยุ่งเลย ดฤิขาก็ขาดอรอยิยมรรคก็ขาดอะไรก็ขาดตัวศีลดฤิคาที่จริงมันก็อยู่ในหลักของการไม่ทำบาปทั้งปวงตามโอวาทปาติโมข้อแรกนั่นแหละนี่ก็คือก็ถนัดจะเผลอไปก็ได้หรือว่าลุกซิ์ลอกผิดก็ได้ก็ไม่แน่แล้วก็ต่อไปก็จิตก็จะหมุนไปในทางชีพิด ปัญญาก็จะถดถอยลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็จกจะซึมซึมเมื่อๆมื อ, มอเรียกว่ามีน้ำลายไหลยอดท่านเปสารีบุตรเหมือนจะรู้ใจของบุคคลเหล่านั้นด้วยใจจึงถากด้วยธรรมะปริยายนี้หมายความว่า ว, วิธีสอนเรื่องอิจฉาวจรเนี่ย ปฏิร้ายยกจุดอ่อนยกจุดอ่อนที่มีอยู่ในสังคมพูดไปเลยก็ถูกเพื่อนพูดอีกสักกี่ล้านปีก็ได้ก็ถูกอยู่อย่างนั้นเนี่ยพราชาโลกมันก็เป็นอย่างนี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นอย่างนี้นมีความคิดตามใจตัวเองอยังนึกว่าคนเราเนี่ยถ้า คิดถึงสังสารวัติคิดถึงการเวียนว่ายตายเกิดคิดถึงกฎของกรรมมันไม่น่าจะสร้างเรื่องรยายใหญ่เพราะมันเล่นเปลี่ยนพระเปลี่ยนชาติกันเลยจากมนุษย์ไปเป็นสัตว์ดิบชาติเนี่ยมันอาการหนักหล่นตบลงไปเลย แล้วกว่าจะกระตื้งขึ้นมาได้เนี่ยมาเป็นมนุษย์อีกสักครั้งเนี่ยมันกี่พวกกี่ชาติเราก็ไม่รู้เพราะเราพัฒนามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยต่อไปควรจะไปให้สูงขึ้นไปกว่านั้นตามปกติวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยมาจะมีการอบรมเดือนนี้ก็ใช้สาราการประเรียน ตีที่ติดปฏเจดีก็เงียบนะอยู่ในมุมสงบก็บรรยายทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์แต่คนก็ยังไม่ค่อยมากพาแหะก็รอไปดู ก, ก่อนมันก็มีโอกาสเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วจะไม่มีใครใช้สถานีเราก็ใช้กิจกรรมวันเสาร์วันอาทิตย์ วันอาทิตย์เวลามันเหลือก่อนจะเพนเนี่ยก็ร่วมชุม่โมงญาติโยมมีปัญหาอะไรก็นั่งคุยกันก่อนได้แต่วันเสาร์นั้นไปก็เลยสิเว็โมงทุกเทีย่ก็ต้องรีบกลับทีนี้่าติโยมบางคนเนี่ยวันเสาร์เขาก็ไม่มีโอกาสจะคุยเขาก็ตามไปที่กุฏิตอนฉันแคว มีสองสามีพัญญาคนหนึ่งอายุสี่สิบเอสามีพันญาอายุสี่สิบเ็ดสามีรู้สึกอย่าห้าสิบตนตนพัญญ า, า, า, าก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่เขาอยากจะเป็นหมารู้สึกเป็นหมามันสบายไม่ต้องทำมาหากินอะไรมีแต่กินกันอนเที่ยวเล่นวิ่งไปส่วนไปบ้าๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องการแล้ว เดีย๋ยวนี้ไม่ต้องการแล้วราต้องการเป็นอะไรต้องการเป็นพระสุร บ, บัณแล้วก็สามีนั้นต้องการบรรลุอนาคามีถว่าทำไมจึงอยากจะเป็นพระอนาคามีก็าบอกว่าต้องการจะดูว่าสุทธาวาสมันเป็นยังไง ต้องการไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันเป็นผลจากความพยายามถึงขั้นที่จะเป็นประสดตบัณที่จะเป็นพระสักการะมีแมื่การเกิดเป็นสุนัขมันกบ็บาปมันต้องอยู่ในขั้นที่เกิดเป็นสุนัขถึงจะเกิดได้คือถ้าคนได้คิดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วก็จะสนใจตัวเหตุ ทีนี้ภิกษุเหล่านี้พวกพวกอิชาพระจอนทั้งหลายเนี่ยนะคือไม่ได้คิดถึงเหตุนี้ว่าจะก่อให้เกิดผลอย่างไรโดยะว่าแก่ตัวเองในขณะนั้นๆในขณะต่อไปตลอดถึงในภพชาติต่อไปภาษาลิบุทัก็รวบรวมมาก็เรียกออกมาถากกันเลยเพื่อเกิดสำนึก แต่ไม่พูดโดยตรงไม่ชี้ไปที่พระกอพระขอพระขอพระงออะไรก็ไม่ชี้ไปอย่างนั้นเพียงแต่ว่าแสดงเป็นภาพกลางๆว่าใครคนใดคนหนึ่งก็ได้หรือเฉลยบางทีมีใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ที่มีลักษณะอย่างนั้นก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นก็ว่ากันไปเรื่อย ทีนี้ส่วนคุณระบุตรเ่าใดมีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตไม่เป็นคนโอ้วดไม่มีมายาไม่ไม่หลอกลวงไม่ฟุ้งซ่านไม่เยอะยิ่งไม่กลับรอกไม่ปากล้าไม่พูดจาพร้อยคุ้มครองทวารในสี่ทั้งหลายคือไม่ยินดียินร้ายในเีลาสัมผัสการุมโลก รูปประมาณในโพชนะประกอบความเพียรใส่ใจในสัมมาธรรมมีความเคารพอย่างแรงกล้าในไสยสิขาเป็นผู้ไม่เป็นผู้มักหน้าไม่ย่อหย่อนสละความท้อถอยทิ้งเป็นผู้นําในความสงัดรักความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวตั้งมั่นมีสติตั้งมั่ น, ม, ม, นมีสมัยัญญา มีจิตตั้งมัน่นมีจิตแน่วแน่มีปัญญาไม่นำลายหล ย, ยืดคุณบุตรนั้นฟังธรรมปริยายของท่านสาดิบุตรนี้แล้วเหมือนหนึ่งว่าจะดื่มจะคืนไว้ด้วยวาจาและใจว่าเป็นการดีหนอที่ท่านสาดิบุตรเป็นเพื่อนปรมาจารย์ให้เราทั้งหลายออกจากอกุศลแล้วให้ตั้งอยู่ในกุศล นี้ท่านก็เปรียบอีกข้อหนึ่งว่าเปรียบเหมือนกับสตรีหรือบุรุษที่กำลังหนุ่มกำลังสาวจอบแต่งตัวชาระสากล้าวแล้วได้ดอกโบบลดอกมันลิหรือดอกลาดวนแล้วประคองด้วยมือทั้งสองยกขึ้นตั้งไว้บนเสียงก้าวฉันใดคุณระบุทั้งหลายก็ฉะนั้นนีสัทธาออกบวดเป็นบรรพชิต ไม่เป็นคนโอ้อวดไม่มีมายาไม่หลอกลวงไม่ฟุ้งซ่านไม่เ ย, ย้ยยิงไม่กลับพรอกก็ว่าโดยในในย่าขั้นรุนน่นนี่เราจะเห็นว่าพวกนี้มันเป็นอาการของกิเลสเดนอิจฉาวะจรกีใจมันสายไปด้วยแรงปรารถนาแล้วก็ยาทะนุถนอมตัวเองนะฮะจะทนุถนอมตัวเอง จะนปรือตัวเองบำรงบำเรอตัวเองไม่ได้มองถึงความถูกความควรอะไรหรอกดังนั้นคนที่เป็นเช่นนั้นก็จะสันเรินประสาทิบุตี่ได้ช่วยชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เขาตกลงว่าอนันคณสูตรเป็นการแสดงโทษของกิเลส เกลกิเลธเทียงดังเนิ น, นหรือว่าเป็นิชาวจรมีทั้งหมดถึงสิบเก้าราการด้วยกันแต่ไม่ลืมพวกนี้เป็นกระบวนการของธรรมะกระบวนการขาตธรรมะก็คือว่าถ้ากุศลข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นกุศลธรรมเหล่าอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้น ที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นไม่ว่าเราทำอะไรแหละเราจะเห็นเราธรรมะมีหลายขอ้อเช่นสมมติว่านั่งไหว้พระสวดมนต์ก่อนจะนอนก็ไหว้พระสวดมนต์เราก็สํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจอยู่ที่บทไหว้พระสวดมนต์ แล้วก็ใช้ปัญญาระลึกถึงบทสวดแล้วก็มีความพยายามสวดมีความตั้งใจสวดเป็นอธิษฐานะแล้วก็มีความหมดกลั้นอดทนต่อความปวดเมื่อยต่างๆบางครั้งถ้าอยู่ดึกมือนก็ง่วงนะก่อนจะสวดมั น, นง่วงก็ต้องพยายาม แต่ีถาหากว่าเราสวดได้ทั้งตอ่อหนัวรุ่งหัวขั้มก็ยิ่งดีใหญ่ตึงก็หมายความปริมาณของความเพียรปริมาณสติปริมาณสัมปชัญญะปริมาณความไม่ประมาทพยายามปริมาณของอธิษฐานเป็นต้นเนี่ยก็ต้องเพิ่มผูนมากยิ่งขึ้นบนทั้งสองกรณีเนี่ยพระเถราจะเริ่มที่ส่วนหัวคือส่วนหัวที่เป็นกุศล แล้วก็ส่วนลำตัวส่วนหางลงมาเป็นแถวนี่มันจะเป็นอกุสน้เป็นแถวคือเริ่มต้นที่ไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธานี่มันล่มละลายนะฮะมันไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันจิตมันไม่ก้าวไปไม่ก้าวไปสมมติว่า เราจะไปในวัดในวัดหนึ่งเขาก็พูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้องค์โน้นเอาพระพุทธรูปก็กได้แต่ว่าเราไม่มีพื้นฐานศรัทธาในเรื่องดรนี้มาก่อเมื่อก็เข้าไปเราก็อย่างดีก็รออยู่ข้างนอกไม่เข้าไปอ่ะเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธามันก็แบบเดียวกับฉันทานะฮะแบบเดียวกับฉันทะ หรือความพอใจถ้าเราไม่พอใจเนี่ยความพยายามมันไม่เกิดเมื่อไม่พยายามจิตใจก็ไม่จดจ่ออยู่กับเรื่องนะั้นเมื่อจิตใจไม่จดจอ่อการจะใช้เหตุผลสติปัญญาพิจารณามันก็ไม่มีอะไรให้พิจารณาในสุดอิเตบาทมันก็ไม่เคลื่อนเลยก็คอนเพราะข้อแรกตัวฉันทานนี่ไม่นำ บางทีเราเกิดความพอใจบางทีใช้บิมังสาพิจารณาโดยเหตุโดยผลในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็เกิดพอใจแต่พลังมันไม่พอมันไม่ยอมขับเคลื่อนอยากจะลุกแต่ไม่อยากไม่อยากจะลุกกำลังที่คิดจะลุกขึ้นเนี่ยมันน้อยกว่าความเกียรครานที่อยากจะนอนต่อในสุดก็ตกลงนอนต่อ มันก้าวเดินไปไม่ได้เปิดบนี้พอเพิ่มมันก็แบบน้ําที่ในแม่น้ําที่พอเพิ่มก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยกันพอลดก็ลดลงด้วยกันเปิดความเลื่องท่านก็พูดถึงเรื่องไม่มีศรัทธาไปเดินก็พูดถึงมีศรัทธาแล้วยังอื่นก็ตามมาเป็นแถวตั้งยี่สิบกว่าข้อนะฮะก็เริ่มมาจากอะไรล่ะ ก็เริ่มมาจากไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาปากกาอะไร่ะไรก็ไปกันเป็นแถวไปเลยนี่ก็เป็นเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าที่ทรงแสดงไว้โดยสรุปว่ากุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลให้บังเกิดขึ้นแล้วกุศลธรรมอย่างอื่นที่ยังไม่บังเกิดเกิจะบังเกิดขึ้นที่บังเกิดขึ้นแล้วก็จะเพิ่มขูดมากยิ่งขึ้น เดานให้กระทำแบบเพดให้มากขึ้นอกุศลธรรมก็เหมือนกันเมื่ออกุศลธรรมเราใดเราเหนึ่งมาเกิดขึ้นอกุศลอย่างื่นที่ยังไม่บังเกิดมันก็บังเกิดเดบังเกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นแต่ศาสนากเกณนโทษเขาดูไหมถ้าไม่สนากเก็นโทษมันก็ปล่อยให้มันยึดครองจิตใจของเราได้ แต่ถ้าเราเห็นโทษก็พยายามลดละให้บรรเทงบางลงไปนี่ก็เป็นหลักการเวลาต้องเกี่ยวข้องกับกุศลละธรรมหรือกุศลละธรรมที่เกิดขึ้นไปในจิตของบุคคลต้างฟังหลายเสียงธรรมจากมามิาสไลศีวตุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทาง่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามในธรรม ดูมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหรายดูตัว